อเมื่อกี้หลวงพ่อได้คุยกับพระบวชใหม่เนาะก็เห็นผลเห็นผลก็คือว่าไม่เคยได้รู้ในสิ่งเขาเรียกว่าได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เนาะได้เข้าใจเพิ่มจากสิ่งที่เคยเข้าใจนะอย่างน้อยก็เรียกว่ารู้จักตัวรู้นะเมื่อกี้นอนอยู่มันก็รู้เราเรานั่งอยู่มันก็รู้เราเห็นไหม เรามองคนอื่นมันก็รู้เราว่าเรามองเขาเออเรามองคนอื่นมันก็รู้ว่าเรามองเขาแต่ถ้าขลืมตัวนะมันลืมมันลืมรู้เราเพราะนั้นสติยังต้องฝึกนะต้องใช้วิธีฝึกก่อนนี้ไงโยมพวกเราเนี่ยหัดใช้วิธีเนี้ยไม่ใช่มองแต่แม่ชีต่อไปมองไก่มองหมาหมาวัดเยอะพมมองหมาอย่ามองแตหมาถูกไ้มเห็นเราด้วยเห็นเราผู้มองหัดอย่างเนี้ยเยอะ เวลาเดินไม่มีอะไรมองก็มองข้างทางแล้วก็เห็นเราถูกไหมมองพื้นถนนแล้วก็เห็นเราให้ประกบคู่แบบนี้ไปก่อนต่อไปเมื่อมีความชำนาญไม่ต้องเปรียบเทียบกับข้างนอกแล้วเพราะมันรู้จักเราไปแล้วนะเมื่อมันมีความชำนาญไม่ต้องมาเปรียบเทียบต้องให้เห็นคนอื่นก่อนมันเห็นตัวเราไปเลยเพราะมันเริ่มตอนแรกเหมือนกับทีฝึกนี่มันเริ่มรู้จักเนะรู้จักตัวเรามากขึ้นรู้จักตัวเรามากขึ้นพอมันชนานาญเนี่ย มันรู้ตัวเลยมันรู้เลยรู้เลยชนิดที่แบบไม่มีน้ําหนักเลยนะไม่มีหัวทึบไม่มีหัวแบบหัวมึนเลยไม่มีเลยมเพราะว่ามันชํานาญแล้วแค่ระลึกนึกถึงปับ๊บมันก็จะมีรู้เราขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็จะง่ายอันนี้ที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดคือรู้เราในลักษณะรู้ทั้งตัวรู้ไม่เจาะจงรู้แบบไม่เพ่งถ้ามันเพ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ยอมรู้อย่างอื่นเนาะแล้วก็มาแบบ ใจจิตเขาเรียกว่าส่งจิตมาแนบกับตัวอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างกลัวว่าจะเผลออย่างนี้เพ่งเพ่งเนี่ยไม่ใช่รู้เหตุที่ว่าเพ่งไม่ใช่รู้เพราะอะไรเพราะเพ่งก็เป็นสิ่งถูกรู้เพ่งเนี่ยเป็นอาการถูกหมแต่รู้เนี่ยมันไม่มีอาการมันได้แต่รู้เช่นสมมุติว่าพวกเรานะีลองลองลอ ง, ลองมองมาที่โทรศัพท์เนี่ยมองเฉพาะโทรศัพท์มองเป็นโฟกัสเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่ า, อามองจุดเล็กๆนี้ก็ได้นะกล้องเนาะ แบบนี้เขาเรียกว่าอาจจะเขาเรียกว่าเพ่งทีนี้ถ้ารู้สึกตัวลองเพ่งดีมันก็จะรู้เราว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมของการกระทาแบบนั้นคือเพ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพ่งจึงไม่ใช่รู้แต่รู้มันรู้ว่าเพ่งนึกออกใช่ไหมความแตกต่างระหว่างเพ่งกับรู้แล้วเผลอเวลาเผลอเนี่ยเช่นสมมติว่ากําลังนั่งฟังอยู่เนาะแล้วก็ใจลอยใช่ไหมคือเดิมไหนนั่งฟังปกติได้ยินได้ยินแล้วก็พออยู่อยู่ช่วงหนึ่งมันหนีไปคิด เขาเรียกว่าใจลอยแต่ตอนใจลอยตอนนั้นยังไม่รู้แล้วอยู่ๆมันระลึกได้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้เนี่ยใจลอยเนาะเห็นไหมรู้จึงไม่ใช่ใจลอยรู้ไม่ใช่เผลอแต่เผลอเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดสติได้ว่าเมื่อกี้เผลอเพราะนั้นเผลอก็ไม่ใช่สติอ่านะเผลอก็ไม่ใช่ตัวรู้ทีนี้เพ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่รู้เผลอก็ไม่ใช่รู้บางคนบอกแล้วทายังไงอะไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งอะ ก็ไม่ต้องทายังไงก็ให้รู้ไงเดี๋ยวก่อนไหมครูบาอาจารย์สอนบ่อยนะว่าความรู้สึกตัวไม่ใช่เผลอและก็ไม่ใช่เพ่งเมื่อก่อนไม่เข้าใจเผลอก็ไม่ใช่เพ่งก็ไม่ใช่แล้วชีวิตเราอยู่อย่างไงอ่ะแต่พอมาตอนหลังก็อ๋อเวลาเผลอเรารู้เลยรู้จักว่าอ๋อเผลอนี่แล้วก็รู้นี่แสดงว่ามันคนละตัวกันเวลาเพ่งก็เหมือนกันเวลาเพ่งที่ผ่านมาเคยเพ่งอะไรม้างในปฏิบัติเพ่งมือหรือเปล่าเพ่งแค่ไหมอ่าตอนนี้ลองไม่เพ่งดูือเลือเวียงไปเวียงมามันรู้ได้ไหมอ่ะ เออต่อไปก็เลิกเพ่งเหนื่อยปวดหัวแต่จะเพ่งก็ไม่เป็นไรถ้าอยากเพ่งแต่มันก็รู้เองแล้วว่าเพ่งแล้วเนาะเออแต่ถ้าแล้วก็การเพ่งเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวก็จะมือหัวจะตึงแต่ต่อไปเนี่ยก็เนี่ยยกก็ยกไปดิมันรู้ได้นี่รู้เบาๆใช่ใช่ใชรู้ถ้าใจไม่ลอยมันก็รู้อยู่แต่ถ้าใจลอยเดี๋ยวมันก็กายเนี่ยมัน ก, กระตุกกลับเพื่อให้รู้สึกตัวขึ้นมานะกายเคลื่อนไหวใจรู้เห็นนะกายเคลื่อนไหวใจรู้ แต่เมื่อก่อนกายเคลื่อนไหวเรารู้กายเคลื่อนไหวเรารู้ถ้าใจรู้ก็คือเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่ยกตัวอย่างนะใจรู้ทีนี้เอาที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องของการการฝึกรู้ตัวโดยที่มองไปข้างนอกก่อนแล้วก็กลับมารู้เราหรือมองพื้นขณะที่มองพื้นมันก็รู้เราถูกไหมมองข้างทางมองอะไรก็ตามมันก็รู้เราทีนี้ลองหัดฟังเสียงเพื่อให้รู้เราบ้างหัดฟังเสียงนะ เอาสมติเอาเสียงที่อยู่นอกตัวเรากันแล้วกันได้ยินใช่ไหมพอได้ยินปับ๊บคือได้ยินเสียงเสียงประมาณอยู่ทั้งนู่นแล้วตัวเราอยู่ทางไหนนี่กลับมาด้วยอย่าโม่แต่ฟังอย่างเดียวถ้าฟังอย่างเดียวก็คือว่าไปแล้วแต่ตัวอยู่นี่ไม่รู้ทีนี้ถ้าฟังไปด้วยรู้ไปด้วยก็คือได้ยินไงแต่ก็รู้ตัวด้วยเนาะการรู้ตัวเนี่ยเหมือนกับ ว, ว่าอันนี้เขาเรียกว่าขั้นการฝึกฝึกพร้อมกับการได้ยิน อย่าดึงมากมันมันจะเครียดเหมือนกับว่าเล่นเล่นไปอย่างนั้นแหละฟังไปหลวงพ่อเคยนึกถึงอย่างนี้นะเคยนึกถึงเวลารอแอบฟังคนอื่นอ่ะเพราะพฤติกรรมแบบนี้มันเคยมีเสียงไม่ชัดเวลาแอบฟังคนอื่นมัน ท, ทํามือแบบนี้ก็มีทีเนี้ยถ้าถ้าคนลืมตัวเนาะเวลาแอบฟังคนอื่นทําอย่างเงี้ยแต่ลืมตัวเหมือนกับว่ามันทรงจิตไปที่เสียงที่เบาๆแต่ถ้ารู้ตัวมันจะรู้ตัวเราเลยว่าเราเนี่ยกำลังทําแบบเนี้ลองทําดูที่มันจะเห็นเนี่ยลองฟังที่ก็หาเสียงนะ วังไปแต่มันก็รู้ไปมันรู้เราว่าเราเนี่ยทําแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เราเออมันมันง่ายแบบนี้แหละเอาทีนี้เรื่องกับการการฟังแล้วเนาะการเห็นการฟังการการรู้กลิ่นรู้กลิ่นก็คล้ายๆกันเช่นสมมติว่ากลิ่นอยู่เราแวีกนเนาะขี้ตุ๊กแกสมมุตินะเนี่ยวัดเราตุ๊กแกขี้บ่อยพอมีกลิ่นปับ๊บคือมันทั้งได้กลิ่นแล้วก็ทั้งตาดูเนาะ ตาดูแล้วก็พอมันเลงตรงเนี้มันเล็งไปที่อันนี้ยไปหากินอาจจะขณะที่เล็งอย่างเนี้ยถ้าไม่ลืมตัวมันก็จะรู้ตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นคนเล็งมันพอเข้าใจใช่ไหมฝึกเยอะๆนะตรงนี้นี่มันเป็นทางของมันเป็นทางที่จะให้ฝึกแบบชํานาญในการรู้ตัวแล้วก็รู้การกระทบสัมผัสเวลาเย็นร้อนเวลาเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะที่ที่ไนตัวเราที่มันเช่นหน้านี่ฤดูหนาวเนาะมันหนาวตามตัวไง พอหนาวตามตัว เ, เสร็จแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะพฤติกรรมเวลาคนหนาวมันทําไงวะอยีางเนี้ยเห็นไหมนะอลองทําแบบนี้ดิเนี่ยรู้ตัวได้ไหมเออเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาอาบน้ําอะพฤติกรรมที่ผ่านมาทําไงอ่ะเออเนี่ยเนี่ยก็ให้รู้ตัวดิรู้ทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันการหายใจนะบางทีเนาะบางทีมันกระโดดโลดเต้นอนะ่ะก็รู้ตัวไปสิ มันง่ายไงถึงบอกว่ากรรมฐานเนี่ยจริงๆมันง่ายแต่เราด้วยความไม่เข้าใจเรามันถึงยากตอนเนี้ความยากหายหายไปก็เป็นความง่ายนี่อาบน้าทุกวันเลยน้ําเย็นเย็นเหมือนน้าแข็งเลยมันยังไม่อาบนะแค่นึกถึงมันนะมันเย็นแล้วเนาะอันนี้คือมันเป็นความคิดเป็นสังขารที่ปรุงไงก็รับรู้ได้ว่ามันปรุงแล้วก็พอลาดปั๊บบื้เนี่ยแล้วก็ทําตัวเก่งๆเนาะแล้วก็บางทีรูปเร็วมากเลยบึ้งถั่วสาบยถู่วอะไรนะเนี่ยรู้ตัวแบบเนี้ย คเราไม่ได้ห้ามเราไม่ได้บังคับอะไรคือให้มันเป็นธรรมชาติแต่ก็รู้ได้เราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าตอนที่เราสวดเนาะบอกว่าเข้าห้องน้ําจะถ่ายอุจจาระจะถ่ายปัสสาวะก็สังเกตตัวเองดิเวลาเข้าไปในห้องน้ํามันก็เห็นตัวเองนะตัวเองเข้าไปในห้องน้ําอะก็รู้ตัวแล้วเวลานั่งบนโถส้วมก็รู้ตัวว่าตัวมันนั่งนั่งถ่ายแลเวลาฉี่ก็รู้ตัวตัวมันนั่งฉี่รู้ตัวรู้ตัวให้ต่อเนื่อง ต่อเนื่องยกเว้นตอนหลับเท่านั้นน่ะที่ทำไม่ได้ให้ต่อเนื่องแต่ก็รู้แบบเล่นๆแบบนี้มันไม่เครียดแต่ว่าโอ้โหเขาเรียกว่ากำลังเจริญเขาเรียกว่าทารู้ทำตัวรู้เนี่ยจริงๆตัวรู้ทำไม่ได้แต่ฝึกมันได้ฝึกให้มันรู้แบบนี้เมื่อมีตัวรู้มากๆเนี่ยก็ความพ้นทุกมันก็จะมาเยือนไปเรื่อยๆเพราะว่าที่มันมีทุก์เพราะไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวมันก็ไปหลงยึดเป็นตัวเป็นตน แต่ถ้ารู้ตัวมันก็รู้แล้วว่าไอาตัวนี้เป็นอะไรเป็นสังขารเป็นสังขารซึ่งมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เราสวดอยู่เป็นประจำว่าสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมีแล้วดับไปมีแล้วหายไปนี่สำคัญมากนะตอนทำวั ด, ดวเวลาก็าสวบดบทนี้แล้วก็อย่างอันบอกว่าสังขารคือร่างกายจิตใจเดี๋ยวหลวงพ่อพูดบาลีสักหน่อยก็ดี สัพเพนาไมชีเนาะสัพเพสังขาราอานิจจาแปลว่าสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปเห็นไหมสังขารก็คือร่างกายจิตใจมันมีความไม่เที่ยงมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแล้วก็ต่อมาสัพเพสังขาราทุขา สังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเห็นไหมถ้าขึ้นชื่อว่าสังขารเนี่ยร่างกายจิตใจเมื่อเกิดมาแล้วมันทนยากคือมันบีบคั้นให้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเห็นไหมนี่เ้าสอนเรื่องสังขาร น, นะยังไม่มีตัวเราสักคำหนึ่งนะเนี่ยนะสังขารก็เอารูปร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเราเขาบอกว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยง ตอนนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ทําความเข้าใจให้ถูกเลยว่าที่นั่งที่เดินที่นั่งฟังอยู่เนี่ยที่มาบวชที่มาวัดเนี่ยสังขารทั้งพวงเลยทั้งหมดทั้งสิ้นนะเนาะไม่เนาะสังขารแล้วก็มีแล้วหมดไปแล้วก็สุดท้ายทนยากแก่เจ็บตายไปตายเกี้ยงหมดอ่าและต่อมาสัพเพสังขาราเอ้ยสัพเพสัพเพธรรมาอนัตตา ทำทั้งหลายนะทำทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่พระพุทธเจ้าชี้ตรงมาแล้วก็รวมความง่ายๆก็คือเลยเนี่ยที่นั่งอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่มันเป็นสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนก่อนหน้านี้เข้าใจว่าเป็นเราใช่ไหมเป็นตัวตนบัดเนี้ยเข้าใจถูกทาความเข้าใจถูกว่า ถึงมันมีอยู่เนี่ยที่นั่งอยู่คุยได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนตรงนี้บวยพระพุทธเจ้าบอกถ้าเราสวดมนต์ทุกวันเนาะมันก็จะบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกแต่เราก็ไม่เข้าใจสักทีหนึ่งเนาะยังเป็นตัวเราอยู่นั่นแหละตอนนี้ก็เปลี่ยนความเห็นถูกเสีวยว่าทั้งหมดทั้งสิ้นคือเป็นสังขารเป็นธรรมะเนาะเป็นธรรม ะ, เ ป, รรมะเป็นธรรมทั้งปวงร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นเป็นสภาพธรรมะนะ ด้วยเหตุที่ว่ามันมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปหรือว่าด้วยเหตุที่มันเป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นตัวตนแค่ชั่วคราวเขาเรียกว่าเป็นเป็นอัตตาเป็นตัวตนแค่ชั่วคราวเมื่อมันดับใดเมื่อมันดับไปจะเรียกว่าเป็นตัวตนไม่ได้เลยจึงเรียกว่าอนัตตาเพราะนั้ น, เ, นเราเนี่ยไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงนะถึงมานั่งเนี่ยอายุ6 7เจ็ดก็ยังไม่มีอยู่จริงเพราะมันเป็นสังขาร นะเปิดดับเราไม่สช่เนาะเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักธรรมเนี่ยสามอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าใจลักษเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่คือใจลักลักษณะสามอย่างที่เขาพูดถึงเรื่องใจลักแล้วการเห็นใจลักเนี่ยต้องทำสมาธิลึกไหมอะ่ะไม่ต้องเดี๋ยวนี้ตอนนี้นี่นั่งเจ็บนั่งปวดอยู่นเนี่ยนเนี่ยสังขารเนี่ยปวดอยู่เนี่ยไม่ต้องทําสมาธิให้ลึกแล้วถึงค่อยเห็นปวดไม่ต้องลึกเอาเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้เลยเนี่ยสังขารเกิดแล้วเนี่ย ทุกขเวทนาเกิดแล้วเนี่ยถูกไหมก็รู้มันไงรู้ก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยควรหรือจะยึดว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราไม่ควรไปเจ้าข้างให้ที่เราสวดอนัอนตตลักษณะสตรเนาะทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกขควรหรือจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ควรไปเจ้าข้างเอืยเมื่อไม่ควรนี่แหละมันจะก็คือเป็นความหลุดพ้นไปหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะรู้ เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเออก็ประมาณนี้ทีนี้มีเรื่องไหนอีกเดี๋ยวหลวงพ่อยังพูดไม่หมดไหนๆก็พูดเนาะอ่าไหนๆก็พูดแล้วให้จบม้วนไปเลยก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าสังขาร น, นี่นะเนี่ยทั้งตัวเลยนี่นะทั้งรูปธรรมทั้งร่างกายจิตใจนี่นะ อันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏรู้จักกันแล้วเนาะส่วนธรรมชาติอันหนึ่งมีอยู่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตอนนี้เราชัดเจนนะไม่ใช่เนาะธรรมชาติที่ปรากฏเนี่ยเนาะที่รับรู้ได้ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพวกนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏหมดสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องหมดไปแล้วธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันเลยว่าธรรมชาติที่ไม่เกิดที่ไม่ปรากฏก็มีอยู่ทีนี้ ใครจะอธิบายให้หลวงพ่อฟังก่อนก่อนที่หลวงพ่อจะอธิบายมั่งพบแล้วยังธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเออลองเอาตามความรู้ที่มีก็ได้เป็นยังไงเออนี่ยธรรมชาติที่ไม่ปรากฏก็ในความคิดส่วนตัวของกระผมก็คือความเกิดครับแล้วก็ความตายที่เราไม่เห็นเราไม่เห็นรูปร่างหน้าตา ม, มันแต่ว่ามันกระทบกับ ร่างกายของเราสังขารของเราครับผมแล้วก็เป็นความจริงครับที่อาจอาจะูเป็นนามธรรมแต่ว่ามันก็เราก็รู้สึกได้สัมผัสได้ครับอพอพอได้ไหมเอาลองอธิบายสิธรรมชาติที่ไม่ปรากฏพบแล้วยังเข้าใจแล้วยังเอาตามที่ที่เรารู้นะนะเ อ, อก็ธรรมชาติที่ปาที่ไม่ปรากฏที่เพิ่งรู้จักก็คือ ตัวรู้ที่เพิ่งรู้มาเนี่แหละครับเพราะว่ามันไม่เคยปรากฏออกมาครับอ่าเอาเ อ, เ อ, เ อ, เอลองลองว่าไปาผมว่าก็คือนิพพานนะครับที่จะทำให้เราไม่เป็นธรรมชาติที่เราสัมผัสอยู่แล้วครับแต่บางทีเรายังไม่เข้าใจนะครับผ ม, มพูดตามที่เรา ค, รความรู้แลวผมนะครับ ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความคิดครับเพราะว่าคนเรามันก็คิดอยู่แล้วเป็นธรรมชาติะครับมันไม่ได้มีอยู่เฉยๆว่าหลายๆคนนะครับความคิดมันก็ขึ้นมาอยู่อยู่แล้วโดยปกติไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยมันก็มันจะมีความคิดคิดคิดไปเรื่อยๆคิดไปตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งซึ่งผมว่านี้มันก็เหมือนเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของคนนะครับที่แบบว่าจะมีความคิดเป็นปกติ ซึ่งมันก็ไม่ได้ปรากฏออกมามันมันอยู่แค่ในหัวของเราในสมองของเราครับอครับอันนี้หมายถึงความคิดเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏตามความหมายของเราใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็ดูเป็นแบบธรรมชาติครับเพราะว่าถ้ามองมันก็คือธรรมชาติของของมนุษย์เราของคนเราอ่ะเพราะว่าคนเรามันก็มีความคิดเป็นปกติอยู่แล้วอแล้วความคิดเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏยกตัวอย่างนะเช่นความคิดนี่มันมันมันเกิดเกิดดับดับไหม มันก็จะมันก็เกิดเกิดดับดับครับเพราะว่าเออถ้ามันเกิด<อ>นี่แสดงว่ามันปรากฏแล้วยังอ๋อ <laughs> เออปรากฏแล้วโอเคเนาะโอเคครับเพ <Okay, no? S 2> okay, ราะฉะนั้นความคิดเป็นสิ่งที่ยังเกิดเนาะเป็นสิ่งที่ปรากฏครับอ่าแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏเออลองดูที่ลองเออรู้จักและสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่ปรากฏคือความคิดแล้วถ้ามันไม่ปรากฏมันไม่เกิดมันจะเป็นยังไงลองอธิบายเพิ่มเติมน่าจะได้มั้งลองดูเทียบกับความคิดนั่นแหละ เพราะความคิดเป็นส okay, so, ิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เกิดเกิดแล้วดับไปแล้วก็เออเกิดแล้วดับไปแต่มันมีสิ่งที่ไม่เกิดไม่ปรากฏและไม่ดับมีอยู่ลองลองอธิบายสิผมว่าสติหรือเปล่าครับเออเอาโอเคนะมันยากแต่จริงๆอ่ะมันไม่ไม่น่ายากหรอกถ้าเดี๋ยวหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อพูดเป็นเป็นเชิงเชิงเรื่องเล่าก่อนเนาะเพื่อให้เทียบมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะ หลวงพ่อก็กำลังสนทนาธรรมะกับเพื่อนพระแล้วก็ยามโพเพคือประมาณน่าจะหกโมงไปแล้วแหละมันโพเพมันกำลังมืดแล้วทีนี้เราก็คุยธรรมะเรื่องทั่วๆไปเนี่ยทีนี้ระหว่างคุยเนี่ยมันจะมีนกนกแสกมันมันก็บินผ่านเนาะมันก็ร้องแคแค่แคแคกสองขณะเนาะแคแคแล้วก็พอมาตรงนี้เสร็จพอมันก็แค่แคอีกสองขณะ ตรงที่ได้ยินเสียงตรงเนี้มันเกิดความแบบมันแบบมันมันเหมือนกับมันตื่นเต้นอะมันเหมือนกับว่ามันทึ่งมากคืออะไรมันเห็นพอได้ยินเสียงเนาะแค่แคมันจะเข้าใจเลยว่าไอ้ก่อนแค่แค่อะมันมีอะไรอ่ะคือมันพูดถึงเรื่องเสียงเนาะพอแค่แคแค่ดับแค่แค่ที่หนึ่งดับแล้วก็แคกที่2เกิดแล้วก็ดับแล้วก็แคกที่3มเกิดแล้วก็ดับแล้วแค่ที่4เกิดแล้วก็ดับตรงเนี้ยหลวงพ่อไปเห็นว่า ไอ้ก่อนที่จะมันมีเสียงเนี่ยมันมีอยู่เขาเรียกว่าเป็นความเงียบเนาะสมมติเราตั้งชื่อเนาะเสียงเป็นความเกิดเป็นความดับแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือความเงียบหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความว่างก็ได้เนาะความว่างคือความไม่ปรากฏไม่ปรากฏแห่งเสียงคือมันเทียบกันตรงเนี้ยเลยรู้จักแล้วว่าเสียงเป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ความว่างเนี่ยเป็นพื้นเป็นพื้นที่รองรับการเกิดการดับเลยก็โอ้ธรรมชาตินี่มันมีอยู่ พอมันเข้าใจตรงนี้ยมันเข้าใจเรื่องเกิดเรื่องดับหมดเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือที่มันมีอยู่ก่อนสิ่งเกิดอ่ะแล้วเมื่อเมื่อสิ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วพอสิ่งนั้นดับไปสิ่งที่มันมีอยู่เดิมมันก็ไม่เคยหายไปไหนมันไม่ได้เปลี่ยนหลุมพ่อเข้าใจตรงนี้ก่อนนะพอเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าเข้าใจธรรมชาติเลยว่ามันมีอยู่นะไอสิ่งนั้นนะก่อนที่อะไรจะเกิดมาทั้งหมดอ่ะก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเกิดมันก็ต้้องงมีสิ่นนั ก่อนที่ดวงจันทร์จะเกิดมันก็ต้องมีสิ่งนั้นก่อนที่จะมีเราเกิดมันก็มีสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมแต่ทีนี้พอเข้าใจตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันเข้าใจธรรมชาติระดับหนึ่งนะแต่ลึกกว่านั้นยังมีอีกก็คือว่าหลวงพ่อให้เทียบกับสิ่งที่อยู่ในใจของเราตรงนี้จะเห็นชัดสิ่งที่เกิดในใจมันมีอะไรบ้างอารมณ์เช่นความสุขเนาะความความความโกรธความทุกข์ก็เรียกว่าเกิดในใจเนาะ เนี่ยตรงนี้ลองสังเกตได้ดีเอาหลวงพ่อพูดถึงความความทุกข์กันแล้วกันความไม่สบายใจเนาะความไม่สบายใจเป็นสิ่งสิ่งเกิดสิ่งดับถูกไหมเพราะมันพิสูจน์ได้นี่ที่ผ่านมาก็เคยไม่สบายใจมาแล้วแล้วมันก็เคยดับไปแล้วแล้วก็ต่อมาก็ไม่สบายใจอีกแต่มันก็ดับได้อีกตรงนี้เลยชี้ให้เห็นว่าความไม่สบายใจเป็นสิ่งเกิดสิ่งดับแล้วลองนึกดูที่มันเกิดที่ไหนเมื่อกี้บอกว่าสิ่งพวกนี้เกิดที่ใจเล็บแสดงว่าใจมันคืออะไรอะ่ะ ใจเป็นของดั้งเดิมความโกรธเป็นสิ่งความไม่สบายใจเนี่ยเป็นส like totally <no ิ่งที Nations> ่เกิดที่ดับแล้วเมื่อกี้เราบอกว่ามันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจถ้าลองไปเทียบกับเสียงนกดูเสียงนกเหมือนกับความไม่สบายใจมันเกิดบนอะไรความเสียงนกก็เกิดบนว่างๆความว่างแล้วเมื่อกี้บอกว่าความไม่สบายใจเกิดที่ใจอย่างนี้มองออกได้อย่างใจมันคืออะไรใจคือความว่าง เนไหมมันต้องเทียบกับสิ่งที่เกิดดับในใจมันเกิดดับในใจไงก็เราพูดเองว่าเกิดดับในใจสแสดงว่าความไม่สบายใจเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับแต่ใจมันคือความไม่ปรากฏอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าถูกไหมเพราะนั้นทุกอย่างเวลามันเกิดมันก็เกิดในใจนี่แหละอาการพวกนี้แล้วก็ดับในใจสแสดงว่าใจเนี่ยเป็นดั้งเดิมของมันเป็นพื้นว่างที่รองรับกับสิ่งเกิดดึงสิ่งดับ แต่มันเป็นธรรมะคนละประเภทกันสิ่งเกิดดับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติประเภทเกิดดับแต่ใจเป็นธรรมชาติประเภทไม่เกิดไม่ดับซึ่งมีอยู่มันก็อยู่ในนี้แต่มันหาไม่เจอดิเพราะมันไม่ปรากฏมันเป็นแต่ความว่างแต่ไม่รู้มันว่างอยู่ตรงไหนแต่มันว่างอ่ะเนาะพอเป็นตรงนี้ปั๊บรู้จักใจขึ้นมาว่าเอา้าใจมันก็เป็นนิพพานอยู่แล้วนี่ทั้งนั้นอ่ะถูกไหมแต่ความ ไม่สบายใจมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งรับเป็นของชั่วคราวแล้วมันหมดไปแต่ใจอ่ะเป็นธรรมชาติเดิมแท้เป็นดั้งเดิมของมันจะมีความโกรธหรือไม่จะมีความไม่สบายใจหรือความอะไรก็แล้วแต่แต่ใจมันก็เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของมันอย่างนั้นมันไม่มีอะไรเนาะแต่ทีนี้คุณสมบัติของใจมันมีอยู่ตัวอ่ะคือมันมีความรู้มันไม่ใช่ว่าเป็นความว่างเหมือนกับความว่างในบรรยากาศแบบนี้ไอ้นั้นว่างไม่มีความรู้เหมือนกับเสียงนก ร้องเสียงดังแล้วก็ดับไปบนความว่างแต่ความว่างอันนั้นมันไม่มีความรู้แต่ถ้าใจมันว่างเหมือนกันแต่มันมีความรู้ความรู้อะไรรู้ว่าอะไรเกิดในใจใจรู้หมดเวลาความไม่สบายใจเกิดขึ้นใครรู้อ่ะใจแต่ใจมันมันไม่มีอาการอย่างนั้นมันคนละประเภทกันพอไม่สบายใจใจรู้พอความไม่สบายใจหายไปแล้ว เนี่ยตอนนี้ความไม่สบายใจหายไปแล้วอะไรรู้อะใจ ร, ใจรู้ธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยรู้อา้าวแล้วเวลาโกรธตอนนี้โกรธมีไหมตอนนี้อะไรรู้ใจรู้แล้วเวลาโกรธเอาที่เคยโกรธจุ๊งไหมรู้ได้เนาะเออใจก็รู้อะไรจะมารู้หรอกมันก็มีใจอหละ ร, รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใจเนี่ยมันเป็นความว่างและก็มีความรู้ถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องความเกิดใจไม่เคยเกิด ใจไม่เคยทุกข<ใจ meetings>์ใ จ, ใจไม่เคยสุขแต่มีความรู้แต่สิ่งที่เกิดที่ดับต่างหากที่เกิดแล้วก็หมดไปในใจสิ่งที่เกิดดับจึงไม่ใช่ใจง่ายไหมถ้าฟังแบบนี้ต่อไปอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้แล้วไงที่เขาบอกว่ารู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อคือใ จ, อใจมันรู้ซื่อซื่อแต่เราไม่รู้จักใจเราเนี่ยก็เลยทําเป็นผู้รู้ซื่อซื่อเราเป็นผู้ทําอะไรเกิดขึ้นฉันจะรู้ซื่อซื่อเราจะรู้ซื่อซื่อเอาไว้เอออย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใจ แต่มันจะเป็นสังขารอีกตัวหนึ่งที่เป็นผู้แกล้งทํารู้ซื่ อ, อแต่ถ้าใจจริงๆอ่ะมันรู้ซื่อๆของมันได้อยู่แล้วโธ่มันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เบื่อก็รู้เส้งก็รู้อะไรก็รู้ใจรู้หมดเลยเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องใจนั่นแหละใจตัวจริงนั่นแหละก็คืออันนั้นนะแล้วเมื่อกี้ที่เราพูดที่รู้ตัวเองอ่ะอันนี้ก็คือใจนะที่มันรู้ตัวเราได้อ่ะจะเดินจะนั่งจะนอนนี่ก็คือใจเพราะใจเนี่ยมันมีคุณสมบัติสามารถรู้รู้สิ่งเกิดดับได้หมดสิ่งที่เกิดดับในใจใจก็รู้ ส่วนที่เป็นกายใจมันเป็นความว่างไงกายใจมันก็เลยรับรู้กายได้กายเดินกายนั่งกายนอนกายจะเป็นยังไงกายป่วยใจรู้หมดแต่ใจไม่เคยป่วยใจไม่เคยโกรธใจไม่เคยทุกข์ใจไม่เคยสุขใจไม่เคยนิ่งนิ่งใจไม่เคยเฉยๆเพราะมันได้แต่รู้เพราะความเฉยเฉยความนิ่งนิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกใจรู้เช่นสมมติวันนั่งอยู่ตอนนี้เนอะรู้สึกว่ามันนิ่งมากเลยไอความนิ่งก็ไม่ใช่ใจแต่ใจไปรู้ว่ามันนิ่ง คือไม่มีอาการรบ ก, กวนใจก็รู้ว่านิ่งเวลาไม่นิ่งเช่นเวลาคุ้งซ่านคิดมากความคามาุ้งซ่านความคิดมากก็ไม่ใช่ใจแต่ใจรู้ได้ว่าตอนนี้มีอาการฟุ้งซ่านคิดมากเพราะนั้นใจจึงได้แต่รู้ใจไม่ได้เป็นอะไรถ้าเข้าใจตรงียงเนี้ยอย่างเนี้ยมันพ้นทุกเดี๋ยวนี้เลยไงพ้นทุ ก, ก็คือเนียเป็นใจคือรู้แต่พฤติต่อพือไปที่มันเจ็บมันปวดก็ไม่ใช่ใจ ที่มันโศกเศร้าเสียใจก็ไม่ใช่ใจเป็นอาการเป็นสิ่งที่ปรากฏในใจนะใจถ้ารู้จักให้แน่นอนแล้วคือใจไม่เป็นอะไรมีแต่รู้นี่เขาเรียกว่าใจเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้เป็นจิตที่ไม่เกิดเป็นจิตที่ไม่ปรากฏเป็นอนันตการนะเมื่อร่างกายขันห้5แตกดับไปใจนั่นแหละไม่ต้องแตกไม่ต้องดับก็เป็นนิพพานไปใช่ส่วนสิ่งเกิดดับอารมณ์ต่างๆมันก็ดับไปหมด เพราะมันไม่ใช่ใจแต่ใจจึงมีทั้งไม่เกิดแล้วมันจะดับได้ยังไงมันก็เป็นอมตะอย่างนั้นของใจนี่คือเป็นธรรมที่ขั้นสูงถ้าเราไม่ฟังธรรมเราจะเข้าใจได้ไงอ่ะแล้วก็ปฏิบัติเอาเองก็ไม่มีทางเข้าใจได้อ่ะเออเนี่ยถึงได้มาฟังกันเนี่ยนะเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยก็เข้าใจรวบยอดทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ปรากฏหมดเลยเนี่ยเที่เห็นเนี่ยที่นั่งที่เดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏหมดเลยแต่ใจอ่ะได้แต่เห็นสิ่งที่ปรากฏ ใจไม่เคยเป็นอะไรได้แต่เห็นแจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วพ้นทุกออสงสัยเรื่องใจกับสติครับมันเป็นตัวเดียวกันไหมเหมือนเหมือนที่พระอาจารย์สมใจสอนว่าสมมติว่าพอเรารู้ว่าเราทุกข์เราเจ็บเรารู้กายเราแต่เราก็ดึงสติกลับมาอยู่กับตัวเองครับมันคล้ายกันไหมผมคือที่ฟังมา ผมคิดว่าสติกับใจคือตัวเดียวกันอันนี้ใ น, นนะความคิดผมนะครับเพราะว่าถ้าใช้ใจดับดับทุกได้สติที่ทํากรรมฐานมาผมก็ว่ามันกระขายกันเพราะว่าถ้าเรามารู้สึกตัวเราเราไม่เข้าไปในในความรู้สึกนั้นนะครับในความทุกข์ในกายที่เรารู้สึกปวดปวดเมื่อยอะไรเงี้ยถ้ารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราก็แค่ยอมรับกับมันหรือต่อรองกับมันว่าเราเราจะทำให้ดึงสติกับมาตัวเองเี่ย ความความรู้สึกตรงนั้นก็จะหายไปเองครับเหมือนเราคิดฟุ้งซ่านหรือปรุงแต่งเนี่ยพอเราดึงสติกลับมามันก็มาอยู่กับตัวเราเองเราก็จะรู้ตัวเรามันมันก็จะเหมือนกายมันเหมือนใจไหมครับที่พระอาจารย์บอกว่ามีตัวรู้ก็กลับมารู้เหมือนกันใจกับสติตัวเดียวกันไหมนะถ้าจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนะคือใจเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าขาดสติ ใจเนี้ยมันก็นไม่ได้ตื่นใจหลับเนาะเพราะนั้นเหมือนกับว่าอาศัยสติแหละในช่วงต้นเนี่ยคือให้สติให้ใจมีสตินะก่อนที่เราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยใจยังมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้พัฒนาคือขาดสติไปก็เลยฝึกให้มีสตินะพอใจมีสติใจเนี้ยก็เริ่มรู้แจ้งรู้แจ้งหมดเลยนะรู้แจ้งกายรู้แจ้งจิตรู้แจ้งอารมณ์รู้แจ้งทุกอย่าง แต่ใจที่มีสติก็เลยไม่ได้ยึดถืออะไรก็เป็นความหลุดพ้นไปอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของอถาธิบายนะจะอธิบายยังไงก็ถ้าเหตุผลมีทุกคนฟคังก็ยอมรับไปตามอถาธิบายนั้นแต่คำอธิบายทั้งหมดมันคืออะไรสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมแล้วใจมันอธิบายได้ไหมถ้าเป็นใจแท้ไม่ได้ให้แยกกันอย่างนี้นะมันมงเมื่อกี้ที่ถามก็คือสิ่งที่ปรากฏถูกไหม แต่ขณะเดียวกันเนี่ยใจมันรู้ได้ว่ามีถามถูกหมเพราะนั้นที่ถามเนี่ยไม่ใช่ใจแต่ใจมันรู้ได้ว่าเราเนี่ยถามอ่าแล้วก็หลวงพ่อก็อธิบายไปคำอธิบายเนี่ยเป็นใจไหมไม่ใช่ใจแต่ใจเนี่ยได้แต่รู้ใจไม่อธิบายอะไรเลยได้แต่รู้เพราะนั้นนะคำทอธิบายก็โอเคก็ถือว่าเป็นส่วนส่วนหนึ่งเนาะเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อทำความเข้าใจเวลาพูดคุยกันแต่ถ้าถ้าเข้าถึงใจแล้วเนี่ย จะรู้ได้เลยว่าใจเนี่ยไม่มีการอธิบายใดๆทั้งหมดเลยเพราะถ้าอธิบายมันก็ไม่ใช่ใจแล้วมันเป็นสังขารแต่ใจมันเป็นวิสังขารคือมันเป็นความไม่ปรงแต่งได้แต่รู้แจ้งนะเมื่อกี้เนี่ยถามไปแล้วก็ตอนนี้ใจรู้แล้วว่าหยุดถามแล้วเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวก็ถามใหม่คุยใหม่ใจก็รู้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้รู้ด้วยใจอะไรจะเกิดขึ้นจะคุยจะถามอะไรก็คุยไปอย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยมัน เข้าใจได้เลยว่ามันเป็นสังขารพวงแต่งทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยสังขารทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นมีแล้วก็ทิ้งไปที่ถามเมื่อกี้เนี่ยถามแล้วก็ทิ้งหมดแล้วมันมีแต่รู้ทิ้งอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมเนาะรู้ทิ้งรู้ทิ้งเนาะแยกแยกให้ออกเนาะอะไรถิ้งที่ปรากฏมันก็ปรากฏแล้วหมดไปทิ้งหมดใจเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่แล้วรู้จักแล้วก็ไม่มีใครไปยึดใจอย่าหลงไปยึดใจนะว่าเราเป็นใจแล้วเราถึงใจแล้วเราเป็นใจไม่ต้องมีเรา ให้มันเป็นใจของมันอย่างนั้นคือได้แต่รู้ไปมันจะได้ว่างเปล่าคือว่างจากความยึดมัน่นถือมั่นว่างจากตัวตนคือไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ยึดธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่มีผู้ยึดธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันจึงเหลือแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งแค่นั้นเองนะไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเรามีแต่ธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งแค่นี้แหละมันจะพ้นทุก์แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยยังมีทุกอะไรไหมตอนเนี้ยถ้ามีทุก ทุกนั้นเป็นสังขารถูกไ้มถ้ามีความไม่สบายใจตอนเนี้มันก็คือสังขารต่อให้มีความสุขมันก็เป็นสังขารต่อให้สุขลงๆก็เป็นสังขารต่อให้สุขรู้สึกว่า ح, เข้าใจมากเลยก็เป็นสังขารต่อให้รู้สึกว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยมันก็เป็นสังขารก็ให้รู้ตัวเราแบบนี้แหละรู้ว่าในนี้มันมีอาการแบบไหนล่ะก็ or, รู้อย่างนั้นแหละก็ or, แค่รู้เป็นปัจจุบันเรื่อยไป นะไม่ได้ยึดถือสิ่งใดเลยนี่แหละคือความว่างเปล่าอะวันนี้ก็ได้ตกลงกับพระไปแล้วว่าเดี๋ยวจะฉันเพนบนนี้เนาะจะฉันเพนหน้ากล้องเลยให้รู้สึกตัวกับการฉันเตรียมมาไหมเอาเลยหรือไม่เป็นไรทั้งนั้นก็ให้เคี้ยวปากเปล่าเอาแต่ว่าหลวงพ่อจะชี้ให้เห็นนะเวลาการฝึกสติเนะว่าฝึกยังไงเวลากินเนาะทั้งนั้นเดี๋ยวเราหัดเคี้ยวปาก่าไม่ชี้เตรียมมาแบบไม่ชี้เออนะทั้งนั้นก็เดี๋ยวก็ไม่เกินสิบเครึ่งเนาะเดี๋ยวเลิกตรงนี้ คือปกติการฝึกสติเนี่ยมันฝึกได้ทุกอิริยาบถนะดื่มทำพูดคิดดื่มทำพูดคิดนี่ฝึกได้แล้วทีนี้การกินการกินก็เป็นการกระทําอย่างหนึ่งเนาะเวลาเรากินเนี่ยในลองทํำยังไงดิเออเวลากินมีอะไรบ้างแถวแดงท่าทางแต่ไม่พร้อมกันไม่เป็นไรเอาเวลาเรากินนี่นะทำท่าทางเคี้ยวแล้วก็เกินเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยก็รู้ตัวได้นี่ว่าตัวเนี้ยมันมีพฤติกรรมแบบเนี้ย เนี่ยเห็นไหมมันรู้เราไงคือตัวสติตัวอะไรมันรู้เราว่าเราเนี่ยกําลังกินแล้วก็เค้ยวเห็นไหมมันรู้เราหมดเลยเราคืนมันรู้เราไม่ใช่เรารู้เลยนะตอนนี้นะเมื่อกี้สอนตั้งแต่เรื่องรู้เราก็คือได้เป็นมาแล้วเพราะฉนั้นเวลากินก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกําลังเเค้วกําลังกินอยู่ให้รู้แบบนี้ถ้ารู้ตัวไม่เป็นก็ก็กลับมาทบทวนมองนู้นแล้วก็เห็นไอ้ตัวเนี้ยเเค้วอยู่แล้วก็ให้ต่อนเนื่องแบบเล่นเล่นสบายอย่าใจลอยถ้าใจลอยมันก็ลืมเนาะ เนี่ยตรงนี้มีทั้งสติสมาธิปัญญาเลยเขี้ยวเขี้ยวแล้ววันหนึ่งโอโ้โหมันกินอย่างน้อยก็พาเราก็สองรอบเนาะอย่างโยมกินตั้งหลายรอบเหมนกัะ ก, ก็รู้สึกตัวกับการเคี้ยวการกินนี่แหละเกินเนี่ยให้อยู่กับเนื้อกับตัวรู้อย่างเงี้ยมันจะได้พัฒนาเรื่องสติได้เร็วจริงอ่ะมันมพัฒนาทั้งสตินั่นแหละแล้วก็สมาธิปัญญาคือมันจะพัฒนาไปพร้อมกันแต่ถ้าขาดสติตัวเดียวมันก็ขาดหมดเลยศีลก็ขาดสมาธิก็ขาดปัญญาก็ขาด นั่นน่ะฝึกก็คือสติตัวเดียวก็จะได้ทําทั้งหมดมันก็จะตามตามติดมาเป็นพวงเลยไม่รู้อะไรมัง่งนั่นแหะในภาคปริยัติทั้งหลายนั่นแหละที่ว่าถ้ามีสติแล้วมันจะอะไรเกิดมาเนี่ยก็ว่าไปแต่เราก็เรื่องภาคปริญัติเราไม่ค่อยพูดเราเอาของจริงมาพูดที่เป็นปัจจุบันนะทีนี้เมื่ อ, อยังอยู่ด้วยกันเนาะถ้าเกิดยังสงสัยอะไรเนาะก็มาพูดคุยสอบถามเนาะแต่ว่าบางทีถ้ามันสงสัยอะไรก็อย่าเพิ่งถามก็ได้ เวลาสงสัยเนี่ยให้รู้ว่าอ่ะไอตัวเนี้ยสงสัยแล้วใช่ไหมแล้วก็อย่าไปคิดหาคําตอบยิ่งคิดก็คือมันเป็นความคิดแต่ถ้ารู้ตัวแบบไม่ต้องคิดเนี่ยที่เราเข้าใจแล้วว่าการรู้ไม่ใช่คิดคือรู้แบบนี้นะเมื่อรู้ตัวเราเนี่ยดูรู้นู่นรู้นี่มันไม่ต้องคิดแล้วเวลามันสงสัยขึ้นก็รู้ไงว่าไอเนี้ยสงสัยแล้วแค่รู้เนี่ยและความสงสัยมันก็เป็นสังขารเกิดดับใช่ไหมแต่ถ้าคิดหาคําตอบเนี่ยมันเป็นการคิดเนี่ยคือมันเป็นสังขารที่คิดคิดคิด มันก็ได้ค ONEY, กกําตอบมาอาจจะถูกอาจจะผิดแต่ว่ามันก็คือสังขารแต่ถ้ารู้ไม่ใช่คิดเนี่ยตรงนั้นนะรู้เนี่ยมันเป็นวิสังขารใช่ไหมเป็นรู้เนี่ยมันเป็นวิสังขารคือมันไม่ปรุงแต่งมันได้แต่รู้ทีนี้มาได้แต่รู้เนี่ยลองดูสิเวลามันคิดเนี่ยคิดเนี่ยก็รู้ได้ว่าคิดใช่ไหมไอ้ตัวคิดเป็นสังขารแต่ไอ้ตัวรู้มันเป็นวิสังขารเออมันก็รู้สังขารเนียวิสังขารมารู้สังขารเพราะฉะนั้นมันธรรมะจึงต่างระดับกันมากเลย คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลวงปู่ดุล น, นะหยุดคิดจึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดเพราะว่าถ้าไม่คิดแล้วเอาอะไรมารู้เพราะนั้นมันต้องคิดเลยถึงจึงรู้เอา้ามันก็วนอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นในทางธรรมะเวลามันสงสัยข้อธรรมเนี่ยอย่าเพลิดเพลินกับการคิดเพื่อหาคําตอบแต่ให้มีสติรู้ปัจจุบันว่ามันสงสัยแล้วก็ให้รู้ว่ามันสงสัยแค่นั้นพอแต่ถ้าทางโลกต้องแยกกันเนาะทางโลกบางเรื่องมันต้องคิดแก้ปัญหาใช่ไหม เออมันต้องคิดแก้ปัญหาอ่าแต่ทางโลกกับทางธรรมมันก็รู้อยู่แล้วว่าทางโลกก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคือมันวนวนวนวนเวียนเวีย น, น, นเป็นวัฏฏะแต่ทางธรรมเนี่ยคือมันตัดตัดกระแสของการเกิดตัดวัฏฏะวัฏฏะสงสารคือหยุดปุงหยุดคิดเพราะฉนั้นเราก็แยกแยกเขารียกว่าแยกบทบาทให้ถูกช่วงไหนใช้บทบาททางโลกที่เป็นสมมติเราก็ใช้สังขารเต็มที่เลยคิดเต็มที่เลยถูกไหม แต่บทบาทของธรรมะก็คือรู้อย่างเดียวรู้แล้ววางรู้แล้วไม่ยึด <c oughs> เออรู้แล้วก็แค่รู้เนาะได้ร่าสักแก่รู้สักแก่รู้วันนี้ก็สมควรกับเวลาทั้งนั้นเดี๋ยวก็กลับระพองกันเนาะ